เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับสูญนาฬิกากับอีกประมาณ31นาทีใครที่รออยู่ฮะคุณคิงครับวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่ได้รับฟังมาจากป้าแมวครับเป็นการผนึกกําลังกันฮะเรื่องเล่าของป้าแมวป้าแมวติดภารกิจครับ คุณคิงก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับพวกเราชาว The g h กส t r ดี i โให้ฟังกันน่าสนใจฮะแมวนี่ก็เล่าเรื่องได้น่ากลัวและก็มีสไตล์การเล่าเรื่องทั้งลูกลอลูกชนนี้ไม่ธรรมดานะครับส่วนคุณคิงนี่โอ้โหแน่นอนแต่ละเรื่องของเขานี่ สนุกตื่นเต้นทุกเรื่องครับวันนี้ทั้งคู่มาผนึกกาลังกันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ําคืนวันนี้ครับที่คุณคิงบอกว่าเป็นเรื่องของล่องเรือหลอนครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ๊กอันน่ะฮะตอนนี้โทรมาจากที่สะแก้วเหมือนเดิมใช่ครับพี่สะแก้วตอนนี้ฝนตกไหมฮะตกทุกวันเลยครับทุกวันนะแม้เวลาไห้ตกอยู่นะ ก็มีครับตึ้งจะหยุดไปตึ้งจะเบาไปไม่ไม่ถึงก็หยุดนะยังเบาไปโอ้นะเมื่อกี้กรุงเทพนี่หนักมากนะฮะแต่ตอนนี้ข้างนอกน่าจะเบาแล้วมะโอ้นะ น, น่าจะมาทางนี้เลยแต่ว่าทางนู้นผมไม่รู้ครับมาว่าถึงเรื่องนี้ฮะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณคิงไปรับการถ่ายทอดมาจากป้าแมวใช่ครับโอ้น่าสนใจมากทั้งคู่มาพันหนึบกำลังมาฟิตเตลลิ่งกัน นะฮะเรื่องของล่องเรือหลอนที่ป้าแมวเล่าให้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังรอฟังอยู่ไปยังไงเรื่องนี้คุณคิงลุยเลยฮะคือจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับ เหมือนกับมีคนมาถ่ายทอดให้กับพ่อแมวอีกทีหนึ่งมาฝากเรื่องนะแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบว่าพ่อแมวก็เลี้ยงหลานด้วยทํางานด้วยคกันเลยไม่ค่อยมีเวลาออืพอมีจังหวะไดกคุยกันเนี่ยพ่อแมวก็เลยฝากเรื่องนี้มานะฮ ะ, ะ, ใ, หะให้คิดถึงพ่อแมวกันอ่าคนะ่ะนะฮะแล้วก็ที น, นี้คือผมจะต้องเตือนก่อนนะครับว่าเรื่องของเรือเนี่ยความเชื่อของชาวเรือเขาเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตรงคนที่ไม่เคยไปหรือไม่เคยรู้ก็เขาเขาไม่รู้จริงๆนะ อย่างเช่นกรณีของการไหว้อืเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยเคยอ่าลงไปเป็นลูกเรือนเนี่ยท <Biology. S 2> ี่เขาหาปลาเนี่ยครั้งหนึงแลนนี้ในการลงไปหาหาปลาเนี่ยเขาก็ไปเป็นเรือเล็กเขาจะเจอความเชื่ออย่างเช่นตอนกลางคืนเพื่อนๆเขาที่ขึ้นเรือไปด้วยกันเนี่ยจะบอกว่ามึงห้ามมองขึ้นไปบนเสากระโดงข้างบนตอนกลางคืนนะเขาก็เขาก็ไม่รู้เอกุผลแล้วว่าเพราะอะไร เฉพาะกลางคืนนะถ้ากาาลางวันได้เวลาจะนอนมองไงก็ได้แต่กลางคืนอย่ามองแฮครับเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกทุกที่หรือเปล่าแต่เพื่อนผมไนี่ยเล่ฟังว่าเขาเจอเพื่อนที่อยู่บนเรือลำนี้มาก่อนอนะบอกบอกเป็นนักปนษณะเลยว่ากลางคืนอย่ามองขึ้นไปถ้ามองขึ้นไปเดี๋ยวมึงอยู่ไม่ได้แน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทุกลาหรือว่าเป็นเฉพาะลํานั้นมันบังเอิญมีอะไรเกี่ยวกับเสากระโดงนั้นหรือเปล่าครับแล้วก็อย่างเช่นห้องที่เป็นห้องพวกเครื่องของเรือเย่างเงี้ย แล้มันก็จะมีทัดไปลงไปข้างล่างอีกหน่อยต่ำก็จะเป็นที่ลูกเรือนอนครับเขาบอกว่าถ้ากลางคืนเวลามีเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยตามห้องเครื่องเข้างอะไรเนี่ยอย่าไปดูบางทีเป็นการความเชื่อเขาก็เป็นการตรวจของแม่ยานางหรือว่าจะเป็นคนเก่าคนแก่ที่เป็นเจ้าของเรือที่ตกทอดกันมาเขาเดินครับบางทีถ้าเป็นจังหวะที่ไปเห็นเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีหรืออาจจะแบบช็อกตกใจแต่ว่าถ้าจะพูดทางหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือเพื่อนผมบอก มันเคยมีคนที่โดนไอ้พวกเครื่องอะไรเกี่ยวกับเรือเนี่ยมันดูดหรือว่ามันทำอะไรกับคนแล้วก็ตายอขาเขาเลยไม่ไม่ใช่แบไฟดูดทำไมถึงมันดูดเขาไปปั่นไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเงีนะครัแล้วตัวเพื่อนผมเนี่ยเขาเคยไปเจอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเรือนี่ก็คือเรือเขาติดพายุฝนอย่างแรงเลยแล้วบนเรือเนี่ยไม่มีทูบเลยนะครับไม่มีทูบเลยเพราะว่าเขาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างว่าไม่ไม่แน่ใจแะไม่กล้ากล่าวว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของศาสนาหรือเปล่าเขาไม่มีทูบ เพื่ผมก็เลยเอาบุหรี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบหกมวลคือบุหรี่กับเหล้าเนี่ยเขาจะอัดไปเต็มที่อยู่แล้วหัวเรือเอาบุหรี่สิบหกมวลจุดแล้วก็ไปปักไว้แล้วก็เอาอะไรใส่สสักอย่างเนี่ยไปครอบเอาไว้ที่หัวเรือ<ะ>ว่าขอให้รอด<ะ>ปรากฏว่าเขามองไปที่หัวเรือเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเหมือนกับพี่แจ๊คนึกถึงภาพฝนตกกระทบคนใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นใสๆอยู่ที่หัวเรือแจะเป็นรูปเหมือนคนที่ฝนกระแทกเป็นเหมือนผู้หญิงยินอยู่หัวเรือ<ะ>แล้ว เขาก็บอกว่าเออรอดันเราเว้ยแล้วเขาก็ยกมือไหว้กันแล้วเขาก็พากันนั่งลงเนะแล้วจะพักฝนก็เบาลงแล้วก็พาเรือออกได้เหมือนแม่ย่านางมาช่วยเหมือนอย่างนั้นครัเขาก็คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือส่วนตัวที่มันเป็นเล็กน้อยเกิดเล็กน้อยก่อนแะครับท่านี้พอมากล่าวถึงเรื่องนี้เรื่องนี้คนที่เขาฝากตัวแมวมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องเรือแล้วก็ใช้ชีวิตปกติถึงเวลาก็ไปเรียน พอดีมันเป็นช่วงที่ปิดเทอมไงแล้วก็ลุงเขาเนี่ยเป็นไต้กง๋งเป็นไก่ <c oughs> เรือครับ <c oughs> ก็เลยบอกลุงว่าอืมผมผมว่างๆอ่ะผมขอลงไปบ้างได้ป่ะอยากรู้ว่าในเรือมันเป็นยังไงอื <c oughs> ลุงเขาเขาไปที่ไปสะุกสะุวกไปแล้วปิดเทอมอยู่ไม่ใช่เหรอก็บอกได้ไปเลยเขาก็จัดแจงทําตามที่เขาบอกทุกอย่างสอนทุกอย่างทุ่ี่ลงเรืออะไรก็ลงลงไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> อยู่ไปกี่วันเนี่ยไม่แน่ใจเขาไม่ได้แจ้งไว้แน่ชัดนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่มันแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งที่ว่าพอดีเขายืนมองไปที่ในน้ําทะเลตอนกลางคืนเนี่ยอืแล้วก็อยู่ดีเขาจะเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสีขี้เขียวเพฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันลอยครับลอยเข้ามาหาเรือเขาก็ยืนมองอยู่นานแล้วรู้สึกว่ามันยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็เลยไปเรียกลุงะที่เป็นไตเนนะี่ยบอกลุงลุงมาดูอะไรนี่หน่อยอนะ่ะลุงก็เดินมาถึงก็มายืนมองอยู่พักหนึ่งนะ อยู่พักใ ห, ใหญ่เลยแล้วแกก็เดินอันหลังเนี่ยเข้าไปในห้องที่ว่าบังคับเรือหันหัวเรือขับอันหนีพอพราะหันนีเสร็จแล้วก็พยายามเดินเครื่องเต็มกําลังอที่ <_ k> จะหนี <_ k> เขาก็เริ่มรู้สึกแปลว่าทําไมลุงจะต้องหนีไอ้ก้อนเนี้ยออืที่มันลอยเข้ามาหาเรือเนี่ยลุงแกก็ขับหนีไปนานแค่ไหนไม่รู้เพราะว่าแกนนาแก็ไม่ใช่คนเรือนะคนที่เล่าเน่ะแกก็ไม่ใช่คนเรือเหมือนกัน <_ k> ขับหนีไปขับหนีไปขับหนีไ ป, หนไปสัพักก็จอด จอดธรรมดาแล้วเบาเครื่องแล้วไม่ไม่ไม่หนีแล้วแล้วก็บ่นออกมาว่าสงสัยจะหนีไม่พ้นจริงๆว่ะครัอย่างไงก็นะไม่พ้นจริงๆอเขาก็เลยถามลุงว่าลุงทําไมลุงถึงพูดอย่างเนี้ยแล้วมันแปลกประหลาดอะไรนะคุณาไอไอไอ้ก้อน น, นั้นที่ว่ามันลอยมาเนะลุงถึงจะต้องขับขั บ, ขบรถหนีลุงเขาบอกว่าดูดีๆดิดู ด, ดีทําไมมันถึงจะแปลกหรือไม่แปลกดูดีดิ เห็นไหมว่ามันลอยทวนน้าเข้ามาอืลักษณะน้ำเนี่ยมันกระจายออกไปคือมันผ่านมานี่แล้วมันผ่านไปนี้ถ้ามันเป็นสิ่งของที่ลอยน้ําได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันลอยแบบอย่างเงี้ยมันจะต้องลอยออกไปแต่นี่มันกลับลอยตามเลยอ่ะเรือแกก็ขับมาจากระยะหนึ่งแล้วแต่มันกลับตามมาติดติดเลยครก็เลยถาบรู้ว่าอะไรลุงบอกผมดูไม่ออกจริงอ่ะแล้วมันศพฮศพเป็นศพวะฮะครับผม ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยลงไปจัดการทําเรื่องที่จะช่วยศพแต่เขาไม่กล้าเอาศพขึ้นพี่แจ็คผมไม่รู้ว่าเขาถืออะไรนะแเขาไม่กล้าเอาศพขึ้นเขาก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยไปโยงเชือกจากเรือเนี่ยไว้กระศพคือใช้วิธีการลากเอาทำให้ขึ้นรออืผมก็เคยได้ยินนะเลยศพนี่ยคือจะเป็นแบบบรรดาเลยนะลูกน้องเขาลงไปดูขึ้นมาบอกโอ้โหไถผมนี่บานเป็นแพรเลยแล้วก็ผ้านี่เป็นผ้าแพเป็นชุดถ้าแพบางๆสีฟ้าอย่างเงี้ย ก็คือว่ามันกระจายเต็มน้ํามองไม่น่ามองเลยแต่เขาก็ช่วยเพราะว่าคนเขาลงไปช่วยเนี่ยลนนกูก น, น้องเขาก็เป็นคนจะค่อนข้างจะใจบุญกีดลงกสาร น, นิดหน่อยก็เลยรับโรอาสาลงไปทำนะฮะท่านี้ขณะที่กําลังลากไปเนี่ยไปสัตยาหนึ่งปรากฏว่าพายุมาแรงเลยกลางทะเลเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพายุก็มาแรงแล้วก็ฝนฟ้านี่ชนิดที่ว่าไปไหนแทบไม่ได้แล้วอะครับไก่แกก็เลยมองหาริมฝังว่า มึงครูคงจะต้องเข้าฟังที่มันใกล้ที่สุดสลามั่งเนี่ยฮะเพราะเป็นอันตรายแล้วว่ะก็เลยครับเรือเข้าไปเรืเร่อยๆเพืเ่อไปหากอรเล็กๆที่จะอยู่ก่อนพักก่อนเพื่อไม่ให้เรือเนี่ยอัปางทางทะเลครับท่า น, นี้พอไปสิ้นปุ๊บก็เจอเกาะเกาะหนึ่งเนี่ยเห็นอยู่ลิบๆเลยนะพี่แจ๊คคนเรากำมันเห็นเกาะมันก็ดีใจไงคนมัเรืว่าโอ้เยเด็ก็ได้ลงเกาะแล้วเว้ยนั่งไปหลบไปเดินไปวิ่งเล่นทําอะไรกันก็ได้สักพักหนึ่งถึงมันจะฝนตกก็เด็กก็หยุดเหมือนได้พักผ่อนไปด้วย พอยิ่งขับเขาไปใกล้ใกล้ใกลพวกนี้ก็เห็นคนอยู่ที่เกาะไงเขากำลังแบบมีการก่อกองไฟกันแล้วก็นั่งล้อมวงทําอะไรรู้จักแปดคนเหมือนจะล้อมวงกินข้าวหรือล้อมวงคุยอะไรสักอย่างเนี่ยเรามันมองไกลๆจากเรืออือก็ดีใจโวยวายกันใหญ่เลยพอใกล้ๆจะเข้าฝั่งลุงแกหยุดคือไอ่แกหยุดครับแล้วแกก็บอกอืมไม่ตกลงแล้วล่ะอเขาว่าอ้าวไต่ทำไมไม่ลงอ่ะพายุก็แล้วเนี่ย ล ง, ไไงยังไงนะผียังงั้นเลยไม่ใช่คนนะอช่ไหมไงไตรู้ได้งไงยังไม่ได้เข้าไปถึงฝั่งเลย<ถ>มึงดูดีๆดิด<อ>ประสบการณ์เรือตรงนี้น้อยมากนะมึงดูคนอะไรว่ามันจะมานั่งก่อกองไฟกลางพายุเี้ยองอหละแล้วไฟมันก็ไม่มอดเลยจะเหีนหน<ถ>ึ่งเขาก็เฮ้ยคือแต่คนต่างคนเรานณตรงนั้นเ่ะครับพี<ถ>่แจ็มันจะต้องมีอารมณ์อของการที่แบบมันจริงเก็วะ<อ>มันใช่่าวะ<อ>ถ้ามันเป็นผีทําไมถึงได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นแล้วเี่ยทุกคน แต่สาก็ยังยืนยันเลาะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เข้าค <c oughs> ่อยๆลากอะไรอย่างเนี้ยคือไปเลาะเลา ะ, ะตามเกาะ น, นี้ไปเลยแต่ไม่จอดแล้วไม่อยู่กับที่ <c oughs> จนพายุเริ่มสงบอันนี้ตัวคนที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็ประสบการณ์ครั้งแรกนะเลยไม่สามารถจะช่วยอะไรใครได้ก <c oughs> ็ลงไปอยู่ข้างในหลบอยูข่ข้างในหลบไปเรื่อยก็หลับพอหลับอันนี้ช่วงที่พายุสงบอ่ะคุณเราก็ปวดฉี่งเวลานอน <c oughs> ตื่นมาเตรียจะไปหาฉี่ล้ะ พอเดินลงมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นว่าพายุสงบแล้วมองไปที่ไหนที่ไหนก็เติมมันสงบทุกที่เลยทุกคนคงจะไม่พักผ่อนกันตอนนี้ก็คงกําลังดื่มกันอยู่หรืมั้งเพราะว่าปกติบางทีตื่นมาก็ยังเจอคนไม่นอนเนึกอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ในครั้วเหมือนกําลังแบบตักข้าวตักกับข้าวมีช้อนกระทบจานอะไรเงี้ยเรแอบไปดูดีกว่าสงสัยคงกําลังยังนั่งดื่มนั่งกินนอะไรเงี้ยพอเขาเดินไปถึงแล้วเขาก็ ชั้งงเข้าไปเลยเหรอคนเราอะพอชังงเข้าไปในห้องครัวปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นนะพี่จะคหน่าแทบงายเลย <ฮะ S 2> คือเขาเห็นว่าผู้หญิงคนที่อืดอยู่ท้ายเลือนะอะนะออกับคนเจ็ดแปดคนนั่นแหละกำลังนั่งร้อมวงกันคดข้าวโโตรงกิ้งกเกิงแล้วหน้าเขียวเขียวแล้วค่อยๆแง้มมองดังเขากันนะเ <ฮะ S 2> ขาหายท้องเลยหลับสลบไม่รู้เรื่องตื่มาหินเท้าสลบไม่ได้ฉี่ด้วยอืม ออืก็ทุกคนก็มาช่วยกัะปุถมพยาบาลจนอํามเป็นไรว่าอะไรเงี้ยตืดมาก็เล่าให้ฟังพี่แจกรูกไหมว่าทําไมทุกคนที่เป็นวิญญาณถึงได้ขึ้นมากินข้าวได้ทําไมฮะเพราะว่าก็เพราะไอ้ลูกน้องคนที่ใจดีนี่ยคนที่ลงไปมัดศพเนี่ะคือเขาเห็นคนตายเขาก็เลยสงสารเนาะเขาเอาทูบออกมาปัดดอกหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรเงี้ก็มากินข้าวนะเขาก็เตรียมไว้ให้แต่ดอกนึงมันไม่ได้เชยมไม่ใด้เิญแค่ดวงเดียวพี่แจมันได้มากัะนั้นขยบเลยรันก่อนทั้นด้วยออ หมายก่าว่าเราเหมือนกับอนุญาตให้เขาขึ้นเรือได้แล้วอย่างนั้นน่าจะประมาณอย่างนั้นนะอ อ, อ, อใจดีเกินนะก็เลยโดนฟ้าโดนฟ้า โ, <อ>โดนคนแบบลุมว่าลุมด่ากันแต่ก็คงไม่พูดอะไรกันมากเพราะว่าเหตุการณ์มก็ผ่านไปแล้วออืก็นี่จะเป็นเรื่องของพ่อแมวที่ฝากมาประมาณนี้คอ๋อคือต้องบอกว่าเเรื่องของความเชื่อบนเรือคุณผู้ฟังฮะคือผมได้ได้ยินได้ฟังมาเยอะมากบางอันเนี่ย ความเชื่อเขาไม่ได้แบบว่าแค่ข้อสองข้อนะความเชื่อบนเรือหาปลาเรือที่ออกทะเลหรือว่าเรือตังเกลอย่าพวกนี้เยอะมากนะครับความเชื่อหลักๆเลยคือห้ามเอาศพขึ้นบนเรือส่วนมากในเขาใช้วิธีการอะไรเงี้ยคือถ้าไปสมมุติว่าไปเจอศพนะครับกลางทะเลเนี่ยเขาจะใช้วิธีการลากมานะครับอันที่สองอันนี้ก็หลักเหมือนกันคือห้ามผู้หญิงขึ้นบนเรือ อ๋อยิ่งเป็นเรือหาปลา <c oughs> เรือตังเกเนี่ยห้ามเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรแต่เขาบอกว่าห้ามผู้หญิงขึ้นผู้หญิงจะห้ามขึ้นบนเรือเด็ดขาดอ่าอีกอันนึงคือห้ามเหยียบหัวเรืออ่าหัวเรือนี่เคยได้ยินอ่าห้ามเหยียบหัวเรือนะครั บ, รบทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อตอนนั้นผมได้ดูหนังเรื่องนี่ไงอ่ามองท่อนผี มอสผีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับแทรกเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาในหนังด้วยเป็นความเชื่อของชาวชาวชา ว, ชาวเลชาวเรือเขาครับอ๋อนะครับและที่สําคัญคือเหตุการณ์ที่ป้าแมวเล่าให้กุณคิงฟังนะครับคือเรือเนี่ยแล่นไปปกติแต่สิ่งที่พยายามตามเรือมาคือเป็นศพลอยตามเรือมาทั้งท้งที่ท้ายเรือแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนกับคลื่นที่เรือมันวิ่งไปแล้วไม่เป็นคลื่นที่มันน้ำนํำมันต้องดันออกถูกไหม จาบอกว่ามันดูดมามันก็ไม่น่าจะดูดมาได้ขนาดนั้นคือมันลอยจนน้ำตาํามโอ้แล้วมเมืนแล้ก็เลยบอกว่าช็อกเลยนะแล้วก็มันแปลกหลายเรื่องอย่างเช <explicar. S 2> ่นการที่อยู่ดีจงใจที่จะลอยมาหาเรือแบบเนี่ย <kne. S 2> ผมคิดว่าถ้าเรามองในเรื่องของศยศาสตร์ก็คงจะขอความช่วยเหลืออนะครับน่าจะมาขอความช่วยเหลือถึงขนาดที่เขาขับเรือหนอีแ ล, แล้วอะจนเขาจนได้โพลออกมาว่า ก็สงสัยจะหนีไม่พ้นจริ ง, รง<อ>ไม่ต้องไปช่วยจริงๆเลยนั่นแหละฮะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกคือเขาห้ามเอาศพขึ้นบนเรืออาจจะเป็นเพราะเอาศพขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้ทํามาหากินหาปลาได้ไม่ไม่คล่องอะไรอย่างนี้มั้งส่วนมากเขาใช้วิธีการอย่างนี้<อ>ใช้วิธีการลากมานะครับลากมาแล้วก็เอามาถึงฝั่งแล้วค่อยว่ากันในเรื่องของการตามหาญาติอะไรพวกเนี้ยต่อไปอเรื่องของคดีความเก็ว่ากันไป รแต่ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนลักษณะของลูกเรือนะครับที่ออกไปอเล่นไอ้ไม่ใช่ออกไปเล่นสิออกไปกับเรือไปหาปลงหาปลาแล้วเกิดเสียชีวิตระหว่างการหาปลาอย่างเงี้ยเขาจะเอาศพไว้บนเรือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอผมเคยถา ม, มไอ้เจ้าตัางเนี่ยนะที่เป็นผมคิดว<ม>่า<ม>ผมเกินเรื่องเรื่องเขาตอนแรกนะครับเขาบอกเขามีนะเพราะว่าการที่เข า, า <c oughs> <c oughs> ไปลงเรืออะไรนีได้เนี่ยออื เพราะว่าเพื่อนของเขาเนป็นลูกของไถครับแล้วเขาก็ไปลงเรือลำเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกลูกน้องเจ็บหรืออะไรอย่างงี้เขาก็เขาก็เอากลับนะหคือเขาพูดทํานองเหมือนว่าเฮ้ยถ้าตายเขาก็พากลับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นเรือกลับนั่นแหละแต่เขาไม่ได้พูดว่าจะต้องลากแล้วจะต้องโยนทิ้งน้ําอะไรเขาไม่ได้พูดไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นโยนทิ้งน้ำหรือว่าจะเป็นกรณีป่วยตายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องของการเมาขึ้นเนี่ยเขาบางคนแพ้ถึงขนาดตายก็มีนะครับอ๋อ ไอ้เรื่องการเอาศกทิ้งไม่เอากลับผมว่าคงไม่ใช่อยู่ที่ว่าการเอากลับของเขาเนี่เอากลับด้วยวิธีการแบบไหนมากกว่าครับโอ้นะครับแล้วก็ข่าวที่แล้วนี่ถ้าจําไม่ผิดมีคนโทรมาเล่านะครับเรื่องของอการเป็นลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุติเรือออกไปหาปลากลางทะเลแล้วบังเอิญว่าถ้าเกิดปวดท้องเบาปวดปัสสาวะขึ้นมานะครับเขาจะมีที่ปัสสาวะอยู่ท้ายเรือนะครับเขาบอกว่าไปคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะ ต้องมีบัต ด, ดีมีเพื่อนไปด้วยเพราะว่าท้ายเรือเรืออยู่ในทะเลอะ่ะมันเจอคลื่นมันไม่นิ่งมันโค้งมันโค้งนิดเดียวเนี่ยสามารถทําให้คนเซเมาแล้วตกน้ําลงไปได้ครับต้องมีเพื่อนคอยคอยยืนอยู่ด้วยเพื่อสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุตกน้ําลงไปนะครับที่เขาบอกมาคือเรือหาปลาเนี่ยเห็นวิ่งแตกแตกแตกแตกแตกแตอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้วิ่งช้าเลยนะ ทะเลเขาบอกเร็วมากนะฮะแป๊บเดียวแบบไปนู่นแล้วว่ะเพื่อนผมก็บอกเร็วมากแล้วการอยู่การทะเลเลยครับพี่แจ๊คเพื่อนผมบอกว่าในชีวิตเนี่ยมันถามผมนะแล้วลองถามเนี่ยผมถามไปถึงพี่จ๊คลองถามตัวเองดูว่าเราเคยเห็นท้องฟ้าที่มันดาสนิทแล้วมีฟ้าแลบตลอดเวลาเนี่ยกว้างที่สุดขนาดไหนอืมเพื่อนผมบอกในทะเลเนี่ยคิดภาพนะตึกไม่มีบังต้นไม้ไม่มีสักต้นเวลาดามาทั้งแถบเลยเห็นทั้งแถบเลยนะว่าดาสนิท คือมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากที่ในหนังเนี่ยเราคิดว่าเขาสร้างเอฟเฟกเนี่ยเพื่อบอกไปดูของจริงไอ ย, ย่างนั้นเลยครับโอ้เพราะว่ากวากกลัวมเพราะว่าเรื่องของมันเป็นแผ่นฟ้าเต็มตาที่มองเห็นนะถูกต้องเพราะว่าเรื่องของอ่าพายุหรือว่าฝนอะไรพวกนี้ยมันเริ่มมาจากทะเลทั้งนั้นนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนทั้งหมดเลยที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันถูกพัดมาจากทะเลหมดเลยแน่นอนว่านั่นคือต้นต้นทางของของของพายุ คือถ้าเกิดว่าเจอฟ้าแลบเจอฝนตกนั่นคือต้นทางผมพอจะนึกภาพออกว่าโอ้โหถ้าถ้าไปเจอฝนในทะเลหรือว่าไปเจอพายุกลางทะเลนี่น่ากลัวนะครับเออเราได้เห็นใจแข็งนะเน่ยยอมรับตรงนี้แหละสำหรันคนที่เขาอยู่เรือต้องใจต้องแบบมองแล้วต้อ ง, งต้องนิงให้ได้จริงจริงทั้งอันดับแรกคือเรื่องของใจก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของสติอ๋อก่อนหน้านี้ผมได้ดูคลิปของเรือบรรทุกสินค้า อันนี้ผมนอกเรื่องไปนู่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลเหมือนกันเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยเขาไปเจอเขากําลังวิ่งผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ไปเจอเหมือนกับไอ้คลื่นโอ้มันใหญ่โตเรือบรรทุกสินค้าคุณคิงว่ามันใหญ่ไหมใหญ่มันใหญ่มากเลยฮะมันใหญ่แบบมหาารมากอ่ะแต่คลื่นเนี่ยมันใหญ่กว่าเรือโอ้แล้วมันสมัดเรือยกหน้ายกโอ้เฮ้ยน่ากลัวมากในทะเลผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมันน่ากลัว เอางี้ง่ายๆแค่นั่งเรือจากฝั่งไปเกาะแล้วขึ้นสปีดโบ๊ทหรือว่าขึ้นเรือแบบธรรมดาที่จะข้ามไปเกาะบางทีเจอคลื่นแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะในทะเลอ่ะใช่ครับโอม้มันมันไม่เไือที่เวลา ท, นนาทีต้องคิดกันเยอะอะไรลงเรือยิ่ง<อ>เวลาที่แบบเอาเอาแค่ ง, ง่ายๆเลยนะพี่แจกเวลาเราจะไปข้ามเรือตามท่าพระจันท์ยอะไรเงี้ยถ้าเพิ่งมีข่าวมาเนี่ยอืผมคนเดียวเวลาที่ข้ามฝั่งผมจะแบบ คิดอยู่ตลอดในหัวละว่ามันจะเมื่อไหร่วะมันจะเป็นครันที่ อ, อุ้งรังวะเป็นอย่างนี้ตลอดนี่รจริงรไม่อดไปได้ครับอดไปได้ความกัวตรงนี้นะอดไปได้ทีนี้นะนคือ ไ, คไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นอะไรแค่เสี้ยววินาทีนะ <c oughs> คือถ้าสมมุติ <c oughs> ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทั้งหมดเลยอย่างที่บอกคือเราต้องมีสติอันดับแรกคือสติ <c oughs> ก่อนนะครับสติในที่นี้เนี่ย เรื่องของการควบคุมสติเรื่องของโอ้โหนู่นี้นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการทักษะในการว่ายน้ํามันมันก็ต้อ ง, องมีบ้างอ๋อไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ําจืดอะไรพวกเนี้มันมั น, ม, นมันสามารถที่จะเกิดอะไรพวกนี้ได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้กลัวถึงขนาดเฮ้ยไม่ต้องไปขึ้นเรืออย่าไปอย่าไปแตะเรืออย่าไปใกล้เรือเด็ดขาดมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีสติก่อน <c oughs> ใอ๋อนะฮะนึกเรื่องก็กของเรื่องของเรือนี่มันเป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้นะไม่ใช่ค้คน ค, คนนั่งก็ต้องมีความคิดมีสติตลอดอ๋อแล้วยิ่งเรือที่ออกไปกลางทะเลอะเรือหาปลาโอเอาจริงๆนะคือต่อให้แบบสมมุติว่ามีรายการหนึ่งให้ผมไปไปวิตรกรแล้วก็ไปตามชีวิตคนบนเรือผมไม่กล้านะไม่รู้ดิผมว่ามันมันเคว้งคว้างอะ่ะ อ้แล้วใจเราแบบมันมันต้องงุ้งมันต่อมแล้วโทษนะครับผมมัเป็นคนคิดเยอะคือเนผมผมเป็นคนคิดเตลิดอะคิดว่าจะเกิดนู่นจะเกิดนี่ไม่ว่าเดี๋ยวจะมีพายุมาไม่ว่าเดี๋ยวจะเจอนู่นเจอนี่ผมกลัวทำใจไม่ได้ครับโ อ, อ้แต่คนที่เขามีอาชีพทางด้านนี้ผมว่าเขาคงต้องต้องชินนะครับกับกับเรื่องพวกนี้แ ล, ละครับเก่งนะคนที่ออก เ, อเรือหาปลา นะครับแล้วเช้ากลับมาเนี่ยบางทีออกไปไม่แบบไปเช้าเย็นกลับนะฮะออกไปทีสามสี่วันอ่ะโอ้ไปใช้ชีวิตแบบนี้เลยพี่นนท์ต้องยอมรับเลยว่าเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนผมจะไปวัดอยู่วัดหนึ่งไปไปสร้างคือยายผมเนี่ยเขาอยู่พากันไปสร้างขนไปขนกันไปอย่างนี้เราก็เป็นหลานแล้วเขาก็ยื่วเราไปเนาะวัดแถบนนอท์เราต้องข้ามไปข้ามเหลือไป เวลาที่เรานั่งเรือไปเนะี่ยแค่ตรงนั้นนะระยะระยะที่มันมันก็ไกลพอสมควรแนละ้วขณะมันเป็นเรือหางยาวแนละ้วไม่รู้สึกเบียนหัวเลยและนี่เขาต้องลงไปที่สองวันสามวันถูกแล้วเรือตังเกเรือหาปลาเนี่ยมันไม่ใช่เรือลําใหญ่มากแล้วมันไปเจอคลื่นมันโค้งตลอดเวลานะอะครับเอออเาง่ายๆไปนั่งเรือแบบไปเที่ยวเกาะแค่นี้นยังเแบบื่อ <laughs> <laughs> มันไม่นิ่งเหมือนอยู่ <laughs> บ, บน <laughs> บนฝั่งอะ นะบางคนเมาก็เมาไปเลยนะอย่างที่คุณคิงบอกเมื่อกี้คือถ้าสมมุติว่าแพ้อาการเมาเรือมากๆมีแบบถึงขั้นเสียชีวิตก็มีมีครับไอ้กังเคยอกเลฟังบอกมีมีมีที่ไตเคยพูดถึงก็คือเมาเรือเนี่ยเมาจนแบบเก็บอาการทั้งวันออแล้วก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองให้ได้ให้กําลังใจตัวเองเขาไหว้กําลังใจกันแล้วว่าเออจะก็ชินแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมากพอไปดูทีคือนอนนิ่งตายไปเลยอ๋อโอ้โห เนี่ยมีข้อความนี้เขามาบอกว่าอาอยู่กลางทะเลจนชินเลยครับนะฮะอยู่ในเรือจนคิดว่าเป็นบ้านหลังที่สองแล้ ว, ลวบางคนก็มีอาชีพทางด้านนี้ไงครับอ๋อเนี่ยเขาบอกอันนี้ก็บอกว่าต่างกันครับผมเนี่ยจะชอบทะเลตอนกลางคืนมากๆเวลาไปเที่ยวทะเลก็จะชอบนั่งมองทะเลตอนกลางคืนผมว่ามันสวยไปอีกแบบหนึง่งคือถ้าอยู่บนฝั่งอะผมก็ชอบทุกคนชอบหมดลองนึกภาพว่าตัวเองไปอยู่ในเรือแล้วอยู่กลางทะเลดิคือเรือมันไม่ใช่เรือแบบ อ่าเรือเรือแบบอนํานเที่ยวใหญ่ๆ<จ>ไม่ใช่เรือสํารานอย่างนั้นนะมันมันคือเรือไม้นะใช <c oughs> าใช่แล้วนี่ยังพออุ่นใจแล้วพี่แต่เช่นี่ยังพังเลยอ่ะแล้วเราจะเหลืออะถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแปลกๆที่อยู่กลางทะเลอ่ะอย่าง ท, ที่ที่ชาวเรือเขาเขาเขาเขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของผีพรายสิงแปรกเยอะนะฮะกลางทะเลอ่ะเออไอเรื่องพวกนี้มันเยอะมาก นที่บอกว่าเอ้ยทะเลสวยชอบนั่งมองทะเลอันนั้นอะทุกคนชอบหมดผมก็ชอบแต่ถ้าไปอยู่กลางทะเลเมื่อไหร่กลางคันข้ามคืนนี้แล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะมันเฟนะมันเคว้งคว้างนะโหมันน่ากลัวออ ม, มันน่ากลัวนะฮะอ่ได้ฮนะนะคุณคิงครับเราคุยกันมาท่นไปนิด น, น, นึงนะพี่เนาะไม่เป็นไนงถือ ว, ว่าคุณคิงมานี่โอ้โหแฟนคลับเยอะเลย นะยังไงก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับในแต่ละวันเขาจะมีฝากมาอันนี้ผมผมขอรุกคนนิดนึงนะจะเขาบอกนิดนึงเลยเพื่อแต่คนเขาฟังอยู่คือบางคนเขาไม่เข้าใจผมจริงๆว่าวัที่เราทํางานด้วยแล้วเขาฝากเรื่องมาบางคนสองสามอาทิตย์ผมถึงจะอ่านอย่างเงี้ยอแล้วบางคนเขาก็พอเราไปอ่านแล้วพอเราทักเขาเขาก็ไม่ตอบเหมือนเขาัอนไปเลยคือผมจะบอกว่ามันมีของใหม่พอมาภูมบเรียนเวนเจอร์มันจะถมของเก่าลงไปไงเราไม่ได้มองข้ามไม่ได้มองข้ามใครเลย ส่เข้ามานะขอบคุณครับผมก็มาแชร์เพื่อนๆฟังต่อครับแต่ตอนนี้บางทีผมไม่รู้เขาเข้าใจห ร, รือเบางคนก็งนันไปไม่ตอบไปตอขออภัยด้วยเลยจริงๆมั น, น <ะ S 2> เราทํางานเราไมีเวลาอ่านทังวันเลยครับเราไม่มีเวล า, า, จ, วลาจริงๆเข้าใจผมเข้าใจคําว่า อ, อข้อความเข้ามาเยอะนะครบเพราะ ว, ว่าบางอันผมก็ไม่ได้เปิดอ่านผมไม่ได้ตอบจริงๆมันตอบไม่ทันฮะเยอะจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆออโอเค นะได้คุณคิงไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะที่มาปิดท้ายกับเดอะโกสเลโดของเราเหมือนเดิมครับเช่นกันครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะฮะครับและสุขภาพเช่กันครับพี่แจ๊คโอเคได้ครับคุณคิงขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ